พระเถระพระเถระผู้บริหารครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่และนีสิท ร, ระดับมหาบัณฑิตในหลักสูตรการจัดการเชิดพุททุกรูปขอเจดิญอนท่านผู้บริหารคราจารย์เจ้าหน้าที่และนในสิทฝ่ายเครืทุกท่าน ขออนุโมทนาชื่นชมต่อนิสิตทุกครูที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรมหาบัณฑิตด้านการจัดการเชนพุนและเป็นโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มามีส่วนร่วม ทั้งผู้บริหารที่ครูบาอาจารย์ท่านคณบดีคณะสัคมศาสตร์ขุนศิลป์ธุรกิจอิทโนมนตเป็นต้นพร้อมทั้งท่านอาจารย์ดรสรุพผลสุยพรในฐานะผู้ในการศักสูษาวิจัยศึกษาและใญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมกิจกรรมนี้ทั้งในด้านการอุปถัมภ์บังุงและการมาพิจารวม เป็นกิจกรรมที่งานโัวตนาถึงขอเปิดการประชุมเสวนาและก็มีส่วนร่วมในการพูดถึงยุทธศาสตร์ในการบริหารโดยเฉพาะเรื่องของคณะสงฆ์และกิจการพระศาษษษสนาโดยรวมในยุคประเทศไทย 4.0 เนื่องจากพูดเปิดงานก็จะขอพูดถึงประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้อง กับการเสวนาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการบริหารความหมายของการบริหารการจัดการในที่เราเอามาใช้กันว่าการจัดการฉุกุ้นก็คือบุริส m มเนจเมน n ์การจัดการนั้นเป็นเรื่องของการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่น คำนิยามก็คือ getting things done through a t e a p w o เราเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารที่ไม่ได้ทำงานเองแต่ใช้คนอื่นทำงานเป็นหลักความสำเร็จจกงอยู่ที่คนอื่นร่วมมือถ้าคนอื่นไม่ร่วมมือ มันก็ไม่สำเร็จเพราะว่าผู้บริหารมีสามระดับระดับสูงระดับกลางระดับล่างระดับล่างคือผู้ที่คุมคนปฏิบัติการถ้าเราเป็นเจ้าวาดัดผู้ช่วยเจ้าวาดนี่อาจจะอยู่ในระดับล่างของคณะสงฆ์คนอื่นไม่ทำเราก็ทำเอง อันนี้พอเอาตัวรอดในโครงการปริญญาโทรเราเป็นหัวหน้าโครงการอันนี้ก็คือผู้ผู้บริหารระดับล่างวันไหนอาจารย์ขาดสอนไม่มีใครสอนเราสอนเองฉะนั้นถ้าผู้รับผิดชอบภายใต้การอำเนวยการของเรา ทำหน้าที่อย่างดีเราก็ประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้ า, นาเป็นโฟแมนเป็นคนคุมงานคนงานตั้งใจทํางานเราก็ประสบความสําเร็จเป็นผู้บริหารวัดพระในวัดลูกศิษย์ญาติโยมทําหน้าที่กันอย่างดีเราก็ประสบความสำเร็จในฐานะผู้บริหารระดับล่าง พอประสบความสเร็จในระดับล่างเนี่ยคนเขาก็จะมองว่าท่านสามารถทำงานสูงขึ้นไปอีกได้ขนาดในวัด ต, ตัวเองในภาควิชาในโครงการได้ยังทำงานสำเร็จแสดงว่ามีฝีมือผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเลื่อนให้สูงขึ้นการเลื่อนให้สูงขึ้นเป็นระดับกลาง ระดับกลางไม่ใช่ขุมเฉพาะผู้ปฏิบัติการแต่ประสานกับระดับองค์กรหรือโครงการที่อยู่ภายใต้เราเป็นเจ้าวาดนั้นะถือว่าผู้บริหารระดับต้นเป็นเจ้าหน้าทบลสูงขึ้นมาเป็นระดับกลางไม่ใช่บริหารแต่วัดตัวเองนะเป็นเจ้าหน้าทบลจะดูแลให้วัดต่างๆ ในเขตตำบลทำงานได้อย่างดีบทบาทของผู้บริหารระดับกลางจึงอาศัยคนอื่นสองระดับคนอื่นที่เป็นผู้ปฏิบัติก็คือพระเนนในวัดคนอื่นที่เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติก็คือเจ้าวาดภายใต้การปกครองเป็นเอ่อ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้บริหารระดับกลางเป็นคณะบดีมันก็ต้องประสานกับหน้าภาควิชาทั้งหลายแล้วก็ยังประสานกับข้างบนอีกรองฝ่ายวิชาการหรืออธิการบดีเป็นเจ้าคณะตำบลก็ไม่ใช่ว่าคุมลูกน้องอย่างเดียวต้องประสานกับเจ้าะอเภอเจ้าะจังหวัดในระดับจังหวัดนั้นเจ้าคณะอาเภอเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลถือว่าเป็นข้อกลางเชื่อมระหว่างวัดกับเจ้านจังหวัดในระดับจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเป็นผู้บริหารระดับกลางความสำเร็จอยู่ที่การประสนานงานทำให้คนอื่นทำงานร่วมมือกับเรา บางรูปเป็นเจ้าวาดที่ดีปกครองวัดได้ดีเรียบร้อยแต่เป็นเจ้าคณะตำบลไม่ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอไม่ได้เพราะเจ้าคณะตำบล เ, เพราะเจ้าวาดในเขตปกครองไม่ร่วมมือเป็นเจ้าคณะอำเภอก็ไม่ได้เพราะเจ้าคณะตำบลไม่ร่วมมือสั่งใครไม่ได้แต่เป็นเจ้าวาดในวัดได้ดีเห็นั้มมันสวมหมวกสองใบ ในฐานะเจะ้าวาดท่านสวมหมวกผู้บริหารระดับล่างในฐานะเจะ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอท่านผู้สวมหมวกผู้บริหารระดับกลางต้องคอยประสานงานดิถ้าในจังหวัดผู้บริหารสูงสุดคือเจ้าคณะจังหวัดมีอำนาจตัดสินใจทําไมเรียกว่าสูงสุดเพราะผลหมายให้อํานาจในการแต่งตั้งถอดถอนเจ้าวาด วัดราชทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงสามารถปกครองดูแลได้อย่างมีสิทธิ์ขาดใครไม่ทํางานก็ถอดก็ปลดได้ไม่ต้องไปปรึกษาใครเลยนะวัดรราชในเจ้าวาดเจ้าหน้าจังหวัดเบี้ยอำนาจในในในมุมมองนี้เจ้าหน้าจังหวัดจึงผู้บริหารระดับสูงแต่พอในมุมมองของพ้นจังหวัดไปแล้วเนี่ย เจ้าคณะจังหวัดเป็นระดับกลางเองนะต้องขึ้นยังคณะภาคเจ้าคณะใหญ่ซึ่งเป็นระดับกลางที่ชั้นสูงขึ้นมาจนสูงสุดเหมือนคณะรัฐมนตรีก็คือคณะกรรมการมหาเุทิศสมาคมเป็นผู้บริหารสูงสุดเขาเรียกผู้บริหารระดับสูงมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน ฉะนั้นเวลาที่เรามองเรื่องการบริหารคือการทำงานให้สาเร็จโดยอาศัยคนอื่นอย่าไปมองแต่ผู้ใต้บัคบัญชาอย่าไปมองแต่พระในวัดถ้าเราเป็นเจ้าวาดเราบริหารวัดของเราเราจะต้องประสานกับหน่วยราชการข้างนอก ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนอกวัดในวัดทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างนี่ในฐานะเป็นผู้บริหารระดับล่างถ้าเราสวมหมวกเจ้าคณะตำบลเจ้านณะอำเภอตอนนี้เราก็จะต้องไม่ใช่ทำงานในระดับปฏิบัติการอย่างนี้เราจะต้องประสานกับ จเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะตำบลแล้วแต่ตำแหน่งเราเห็ น, นและยังจะต้องประสานไปที่เจ้าณะจังหวัดอีกความสำเร็จจึงอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างในการทำงานอันนี้อธิบายความหมายของคำว่าการบริหารคับการบริหารไม่ได้ทำงานคนเดียว ความสําเร็จและความล้มเหลว อ, อาศัยคนอื่นเป็นหลักในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะเห็นแบ่งออกเป็นสองสายสายบริหารกับสายวิชาการสายบริหารนี่ทํางานโดยอาศัยกันและกันแต่สายวิชาการเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนบุคคลเนี่ยการเข้าสู่ตําแหน่งไอ้บริหารวิชาการทั้งหลาย เป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นอกจากอาศัยลูกศิษย์คือเราสอนเราทำวิจัยร่วมกันแล้วมันยังมีข้อกำหนดให้เขียนงานวิจัยให้เขียนตำราซึ่งอาศัยความพยายามของตัวเองเป็นหลักถ้าจะเติบโตในสายวิชาการเนี่ย มันจะต้องมีความเชี่ยวชาญในวิชาการต้องอาศัยการทำงานของตนเองเป็นหลักแต่ในสายบริหารจะต้องอาศัยคนอื่นฉะนั้นในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันยังมีสองสายคนไหนถนัดในเรื่องวิชาการท่านจะเริญเติบโตไปถึงาศาสตราจารย์คนไหนถนัดบริหารก็ขึ้นไปถึงโน่นอธิการบดี เขาแบ่งทีนี้บางคนเนี่ยไม่ถนัดถนัดแต่บริหารแต่งตาราทาอะไรวิจัยอะไรไม่เคยเป็นเราก็จะเห็นเขาอยู่ในสา ย, ยานั้นเน่ยบริหารไปเรื่อยๆบางคนนี่ชื่อวชาญในชาญวิชาการบริหารตนมากกว่าบริหารคนอื่นเราเงเคยได้ยินพวกศาสตราจารย์ ที่คุยกับมนุษย์ไม่เคยรู้เรื่องนะแต่เก่งโอ้โหพูดอะไรทำอะไรนี่ได้รางวัลระดับโลกเลยแหละก็ปล่อยให้เขาเติบโตไปในทางนี้เพราะเขาไม่มีเวลาที่จะมาคุยกับมนุษย์ค้นแต่ตำลาามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาทำดีแล้วทีนี้ไอ้ที่ไม่ดีก็คือว่า เอาคนที่เชี่ยวชาญในวิชามาบริหารเอาคนที่เชี่ยวชาญบริหารไปทำวิชาการไปแต่งตำราไปอะไรตา่างมันจะได้พวกสุกๆดิบๆครึ่งดิบครึ่ง ด, งดีมันใช้ไม่ถูกประเภทไม่เป็นไปตามความต้องการ เพราะฉะนั้นมหาวิเลยต่อไปเวลาจเจริญเติบโตก้าวหน้าคนมันจะไปตามความถนัดในคณะสงฆ์เราเนี่ยอง์ไหนเรียนเก่งได้ปรเรียนมหาป ร, ริญเป็นวิชาการเนี่ยมันจะต้องมีการจเจริญเติบโตใหม่เป็นประโยคกล้ามแต่งตําหนักตาราเทศสอนอะไรไปเจริญก้าวหน้าไปเกิดเอาท่านมาบริหารเนี่ย มันก็ทำงานให้เขาเรียกเอ็ e ซ l e ลน e สูงสุดในท่านนั้นไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราได้รับคุณูปการจากเรื่องนี้ก็คือกรณีของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธภู์สาจารย์อออกไปยุตโตดคณะสงฆ์ไม่เอาท่านมาบริหารให้ท่านทำวิชาการไปจนฝุดเรียกว่า สุดความสามารถท่านเราก็ได้บุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมนี่คือตัวอย่างแต่ถ้าองค์ไหนพอเก่งวิชาการเป็นประโยชน์ก็เอาไปอะไรเอามาบริหารนี่บางทีท่านไม่ถนัดมันก็บริหารได้ไม่ดีวิชาการก็ไม่มีเวลาการบริหารการจัดการเนี่ยมันจะต้องเปิดโอกาส คณะสงฆ์ในยุคนี้เนยล่หะไอ้ที่แล้วก็แล้วกันไปในยุค ต, ต่อไปเนี่ยเราจะต้องให้ท่านเติบโตไปตามความถนัดศักยภาพของท่านแล้วพระนสงฆ์จะไปได้ดีมหาวิเลยสงฆ์นี้ก็จะไปได้ดีกิจการพระศาสนาก็จะไปได้ดีเพราะคนมันจะน้อยลงงานมันจะมากขึ้น ทำตามความถนัดความสามารถมันจะพัฒนาได้อย่างดีท่านทั้งหลายมาเรียนที่นี่เนี่ยถามว่าเรียนเอาไปทำไมเรียนไปบริหารจัด ก, การไปทางานมีวัตถุประสงค์อย่างนี้เรียนไปเป็นนักวิชาการมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรือท่านจะเอาผสมผสานทั้งสองอย่างก็ไม่ว่ากันท่านท่านมีความสามารถทั้งสอง แต่ต้องในขณะที่เรียนเนี่ยาจะต้องค้นพบตัวเอง ไ, ได้ว่าเราเนี่ยถนัดยังด้านไหนด้านบริหารจัดการหรือด้านวิชาการนี่ยังน้อยข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราเองมีความถนัดทางไหนยังไม่พอสองโอกาสของเรานานที่เราทาประสบการณ์เนี่ยมันให้เราไปทางไหน เราเรียนเพื่อไปเสริมทางนั้นเพราะว่าขนาดนี้มันไม่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ละมันไม่เหมือนเด็กๆเมื่อเราเลือกทางนี้ก็จะต้องเอาความรู้เนี่ยไปเสริมการบริหารที่ท่านทำอยู่แล้วเป็นพระสังการติการก็คือสรุปแล้วท่านไปในทางบริหารไม่ว่าเรียนอะไรฟังอะไรก็ตามต้องคิดเอาไปประยุก นักบริหารนี่คือหัวประยุกต์มันจะต่างจากนักวิชาการที่เอาทฤษฎีทาปริญญาโทรปยญาเอกเนี่จะบุ่งทฤษฎีแต่แม้ว่าท่านจะบุ่งทฤษฎีอะไรก็ตามเนี่ยท่านยเป็นผู้บริหารการพระศาสนาท่านย่าต้องคิดเสมอว่าแล้วเราจะเอาไปใช้ทำอะไรเรากำลังทำงานอะไรอยู่มันจะต้อง a อ p l ลเสมอวิทยาศาสตร์เรื่องเขายังมีสองสองสายเลยวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ pure science กับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ applied science ใครเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะต้องดู่ะตัวเขาถนัดทางทฤษฎีคณิตศาสตร์เป็น pure science หรือเขาถนัดทางการประยุกต์เขาชอบเรื่องการประยุกต์ใช้ถ้าเป็นเพียวสายวิทยาศาสตร์เขาจะไปเรียนฟิสิกส์เคมีลึกไปคณิตศาสตร์แต่ถ้าเขาชอบประยุกต์เขาจะไปเรียนแพทย์เห็น ไ, ไหมเรียนแพทย์เรียนวิศวะเรียนอะไรต่างๆพวกนี้ มันเป็นการประยุกต์เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่มีการลงทุนละกด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์คนฉลาดเนี่ยไปเรีนยนประยุกต์วะ่ะคณะแพทย์คณะวิศวะคณะอะไรกัตามแล้วเราจะไม่ได้ยินว่านักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ของประเทศไทยที่เก่งๆเนี่ยเขาทาอะไรวิจัยเรื่องไหนพวกที่ได้รางวัลโนเบลด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเป็นฝรั่งหมดเพราะเพราะอะไรเพราะว่าทุนในเรื่องวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เรามีไม่พอห้องแลบเราสู้ต่างพวกตะวันตกไม่ได้ ถ้าท่านจะทำวิจัยเรื่องอฟิสิกส์อวกาศอย่างเงี้ยมีมียานอวกาศขึ้นไปหรอนี่ๆจะทำเรื่องอะตอมเนี่ยโปรตอนเวลามันชนกันเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเขาจะต้องทำไอ้ซูปเปอร์คอนดัก เ, เตอร์ให้ประจุไฟฟ้ามันวิ่งชนกันไอ้ตัวโปรโตอ น, น ย, ยาวไป็นกิโลมันใช้เงินไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านอ่ะ เราต้องอาศัยการค้นพบวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยเอามาประยุกต์ทุนเราไม่พอเห็นไหมครับอันนี้ที่ที่พูดวันนี้ก็คือเพื่อให้ท่านรู้จักตัวทนเองเรามาเรียนเนี่ยเราจะไปสายศาสตร์บริสุทธิ์หรือสายประยุกต์เรียนการจัด ก, การเชิงพุทมันคือประยุกต์ ตัวแมネจเมนต์เองมันก็เป็นการประยุกต์เอาไปใช้กับคนกับสังคมตัวโซเชียลไซเนี่ยคณะสังคมเยนะ้ยเนี่ยก็อยู่ในตรงนี้ทั้งนั้นแหะแต่ถ้าท่านอยากจะเรียนศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยในมหาจรรย์เราก็มีแต่มันเป็นอะไรคณะพุทธศาสตร์เรียนอภิธรรมเลเนี่ยจิตเจตสิกเนี่ย เรียนไปเรียนไปเนี่ยคุยกับพวกสังคมไปรู้เรื่องไะคุยกับคนรำภาษาเรียนปรัชญาเนี่ยลุกลุกลุกลุกลุกลุไปเลยพูดภาษามนุษย์ไม่ได้น่ะเรามีแต่ว่าพอเรียนแล้วทําไมเมื่อเรียนคณะสังคมไปเยอะประัชญาเปิดประญาโทมัญหาจบสักคนสองค น, นยังไม่ไปมี มันก็เหมือนกับเรื่องวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับประยุกตนะ์เคนจะเรียนประยุกต์มากกว่าเรียนปรัชญาที่มันลึกๆๆมงนไปเนะี่ยเรียนจบแล้วทำอะไรสังคมไทยจะถามจบประโยคกล้าไปทำงานที่ไหนพลเรือสีเขาว่ากันเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดอยู่เนาะอันนี้คือสิ่งที่ ในอนาคตมันต้องเปลี่ยนเพื่อความเจริญของพระศาสนาค่านิยมอันนี้มันต้องเปลี่ยนอะไรที่เป็นองค์ความรู้บริสุทธิ์งานวิจัยเราก็ต้องส่งเสริมอะไรที่ประยุกต์ก็ต้องทไม่ใช่แห่มาเรียนด้านการประยุกต์กันหมดแล้วเราจะเป็นที่พึ่งตัวเองทางปัญญาได้อย่างไรการนี่คือยุทธศาสตร์ใหญ่ของพระศาสนาเลยนะ ไม่ว่าจะในระดับไหนเรื่องไหนก็ตามมันต้องส่งเสริมทั้งผู้ที่หาความรู้บริสุทธิ์ส่งเสริมพระวิปัสนาจารย์ที่ท่านไม่ต้องมาบริหารอะไรปฏิบัติอย่างเดียวให้จริงไปเลยแล้วอย่าไปโกนท่านมากแค่มาสอนก็เสียเวลาแล้วให้ท่านปฏิบัติไนปะแล้วพอปฏิบัติได้ลึกซึ้งแนละ้วค่อยมาสอนค่อยมาเผยแผ่ เราต้องการจัด ก, การกิจการพระาศาสนาในลักษณะอย่างนี้เพื่อมุ่งทั้งส่วนที่เป็นองค์ความรู้บริสุทธิ์และองค์ความรู้ที่มาประยุกต์อย่าไปปะปนกันท่านจะเอาดีทางวิปัสสนาก็ไปเลยท่านจะเอาดีทางาศาสนาปรัชญาอะไรกับไปของท่าน งานวิจัยตำรับตำลาเนี่ยในอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้ประเทศไทยแต่ตอนนี้เราเรายังมีค่านิยมที่ผสมผสานเรื่องของการประยุกต์ไปส่วนใหญ่เหมือนวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ในประเทศไทยเราไม่เคยพูดถึงเลยเรายืมจมูกคนอื่นหายใจโดยไปยืมเทคโนโลยีของเขาหมดพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมันจะต้องมีหลักของเราเองไม่ว่าในเรื่องอะไรเราไม่ต้องไปยืมของเขาหมดเราพัฒนาองค์ความรู้ของเรา ไม่ว่าปริยัติปฏิบัตินี่คือการวางยุทธศาสตร์ในเชิงการบริหารจัดการในการบริหารจัดการนั้นพระพุทธเจ้าได้บอกว่าผู้ได้สอนว่าผู้ที่จะเป็นนักบริหารมันเริ่มจากนักบริหารระดับต้นนักบริหารระดับต้นเนี่ยคือผู้ปฏิบัติการมาก่อน ท่านเป็นอาจารย์สอนมาอย่างดีต่อไปเขาก็ให้เป็นผู้อำนวยการโครงการเป็นหัวหน้าภาคอะไรก็ต่างก็อยู่ในสายที่ท่านสอนมาในสายที่ท่านปฏิบัติมาอันนี้เพราะฉะนั้นในการสอนท่านก็สอนให้ดีอลังการตรงคือทําเองก็ได้สอนเองก็ได้ อยู่เป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษหรือต่างภาษาต่างประเทศเนะแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาไม่ให้เป็นหรอกหัวหน้าภาควิชาภาษาบาลีแต่ไม่ได้เป็นมหาปริญญหรือไมไ่รู้ภาษาบาลีมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องอลังการตรงคือทาในสายนั้นให้ได้ก่อนเราจะเริ่มจากจุดไหนเราจะต้องเชี่ยวชาญในจุดนั้นก่อน จากนั้นท่านจึงมาบริหารจัดการหลังสังวิทาตุงจัดการให้คนอื่นทําก็ได้บางคนบางแห่งเนี่ยเขาเปิดไอ้เขาเรียกอะไรติววิชาใช่ไหมสอนพิเศษนักเรียนเนี่ยสอนอยู่คนเดียวสอนดังมากคนมาเรียนกันตอนหลังเขาเลยตั้งโรงเรียนสอนไ อ, ไอ้ไอ้ติวนักเรียนเนี่ย สถาบันหรืออะไรก็ตามแล้วก็เอาคนอื่นมาช่วยกันติวตัวเองก็ยังติวสอนด้วยคนอื่นก็มาช่วยกันด้วยเขาเรียกอลังการตรงอลังสังวิธานตรงจัดการให้คนอื่นทําก็ได้ในการเผยแผ่ผมเริ่มที่วัดประยูนเป็นนักเทศก่อนและตอนนี้จัดการสอนให้พระทั่วประเทศมาเรียนการเทศนาะ อย่างนี้ก็เรียกว่าเทศเองก็ต้องเป็นด้วยไม่งั้นไปจงให้จงใจให้ใครมาเรียนกับเราเขาก็ไม่มาหรอกตัวเองยังเทศไม่ได้เรื่องอลังสังวิทาตุกอลังสังวิทาตาร ง, งตเดียนะสายมันไม่พอเสียบให้เลยขยับเมืออม่อยมอกระโหลก จัดการให้คนอื่นทาทำเองก็ได้จัดการให้คนอื่นทาก็ได้ไดมหาจุฬามันก็เริ่มมาจากอย่างนี้แหละรุ่นแรกมีนี่สิแค่จบมาแค่หกรูปครูบาอาจารย์สอนเองแล้วทไสอนกันเองก่อนเหมือนกับโรงเรียนวัต แล้วตอนนี้มันเป็นไงขยายไปทั่วประเทศทั่วโลกจัดการให้มีการเรียนการสอนของมหาจุฬาเวลาท่านเข้ามาม า, มาเรียนที่มหาจุฬาเนี่ยท่านอย่ามาเรียนแต่วิชายอย่าเรียนเพราะท่านอยู่ในสายประยุกท่านจะต้องรู้ว่าแต่ละคณะเขาบริหารกันยังไงเอาไปใช้กับบริหารวัด ในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมีนิสิตตั้ง 20,500 รูปคนทั่วโลกในยมาาจฌาลเป็นองค์กรที่ใหญ่มากๆแล้วเขาบริหารกันยังไงมีระบบบริหารจัดการเช่นไรจัดงานวิสาขาบูชาโลกมีมากัน เกือบร้อยประเทศทั่วโลกบริหารกันอย่างไงท่านอาจจะฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแต่ก็มาดูเราไม่ใช่เราไม่ได้เรียนเอกอังกฤษเลยไม่มาอย่างนั้นเหะไม่ใช่คนฉลาดต้องมาต้องมาดูทำยังไงเอาไปประยุกต์ ไม่ใช่ว่าเราเรียนแค่ปริญญาตรีปริญญาโทมันไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่หมอชีวกกามโกมารพัฒเรียนจบแพทย์จากตักศิีรามีข้อสอบที่สอบไฟแนลข้อหนึ่งว่าจงออกไปในรัศมีหนึ่งโยดโดยรอบเนี่ย หาพืชที่ใช้ทายาไม่ได้เอามาให้อาจารย์แล้วจะวัดว่าจบหรือไม่จบคนอื่นเรียนสิบห้าปีหมอชีวกเรียนเจ็ดปีขอสอบเพราะไม่มีสตังค์ต้องจ่ายค่าเรียนหมอชีวกเงินน้อยขอสอบ ในรุ่นนั้นรุ่นพี่เนี่ยที่สอบได้พืชที่ใช้ทำยาไม่ได้คนละกรรมสองกรรมมาอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ถามว่าทำไมใช้ทำยาไม่ได้เขาก็อธิบายได้หมดเพราะถึงน้องสุดท้องหมอชีวกมืออามือเปล่าเขาทำไมหาพืชมาได้ไม่ได้เลยเหรอ ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ทายาไม่ได้หมอเชวกบอกไม่เจอเลยพืชทุกชนิดหมอเชวชบอกว่าใช้ทายาได้หมดเาแล้วไอ้ที่รุ่นพี่เขาถือว่าคนละกรรมลกรรม น, นี่เขาบอกใช้ทายาไม่ได้เธอว่างไงหมอเชวกบอกอันนี้ก็ใช้ทายานี้ได้นี้ก็ใช้ทายานี้ได้ไม่มีพืชใดใช้ทายาไม่ได้ อาจารย์เลยให้รุ่นนั้นชีวบจบคนเดียวนี่คือประยุกต์ในนิยายกำลังภายในของโกเลงใครดูหนังกำลังภายในจีนสุดยอดฝีมือสุดยอดฝีมือไม่ต้องพดกดาบไม่ต้องพกกระบี่ เจอคู่ต่อสู้มากิ่งไม้ก็เป็นกระบี่ได้แพ่ลมปรางกำลังภายในใช้เป็นดาบได้บริษัทที่รวยที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซ p จัดจัดอันดับครอบครัวที่รวยที่สุดในประเทศไทยคือครอบครัวจีโรวนร เขาแยกเป็นหลายบริษัทสี่หลายสามสีพี่น้องแต่รวมทรัพย์สินใหญ่มากไปเปิดที่เมืองจีนบริษัทใหญ่มากของซ p พี้างสรรพสินค้าโลตัสเห็ยอยู่ในประเทศจีนไม่รู้เท่าไหร่โลตัสที่เห็นในประเทศไทยเป็นของซ p พีมาก่อนพอเศรษฐกิจต้มยำกุ้งตกซ p พี CP ขายให้เทสโก้ แต่ยังคงโลตัสอยู่ในประเทศจีนมีคนงานในต่างประเทศพอๆกับคนของ c ีพีเนี่ยพอๆกันในประเทศไทยประธานซีพีชื่อธนินเจรวนนท์พูดเป็นเชิงนโยบายหรือยุทธศาสกว่าคนทั่วโลกเป็นของ c ีพี สินค้าทุกชนิดเป็นของซีพีก็ถามกันท่านที่บนไปงานพบกันก็เลยถามว่าหมายความว่าอะไรท่านประธานทานินอธิบายว่าคนทั่วโลกเป็นสินค้าทั่วโลกเป็นของซีพีหมายความว่าซีพีเนี่ยเขาจะมี ห้างสรรพสินค้าของเขาเองอย่างเช่นโลตัสที่ว่าง7ซเเวนของเขาหมดสินค้าตัวใดในประเทศไทยที่ขายดียาแล้วคนอื่นผลิตได้ถูกราคาดีผลิตได้ถูกคุณภาพดีซีีอย่ากไปผลิตแข่งสู้เขาไม่ได้เสื้อมาขาย ได้กำไรทั้งในประเทศและแต่างประเทศไม่ว่าสินค้านั้นมาจากไหนทั่วโลกยาไปผลิตแข่งกับสินค้าราคาถูกที่มีคุณภาพดีของทั่วโลกจงเอามาเป็นสินค้าซีพีแล้วขายในเซเว e นสินค้าทั่วโลกเป็นของซีพีคนทั่วโลกเป็นของซีพี คนเก่งแต่ละคนกว่าจะผลิตกว่าจะให้เขาเรียนจบเนี่ยมันแพงเท่าไหร่แต่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกจบมาแล้วถ้าเห็นว่าเขาเหมาะ ก, กับงานของเราจ้างเขามาเลยเอามาใช้ในบริษัทของสี่ปีเขาจึงบอกว่าคนทั่วโลกไม่ว่าจบมหาวิทยาลัยไหน หรือเคยทำงานที่ไหนเอามาทำงานกับ c ีพีเพราะฉะนั้น c ีพีเมื่อมีนโยบายสองข้อนี้เนี่ยสินค้าต่วรลกเริ่มมาจากขายเมล็ดพืชน่นนะเจียไตยอะเริ่มมาจากขายเมล็ดพืชเอาไปปลูกในประเทศไทยเมื่อคนรุ่น น, น้นต้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะด้านเกษตรเท่านั้น t รูคอร์เ o r ร์เรชเนี่ยโทรศัพท์อะไรต่างๆทีวีเขากรทำมันต่างอย่างไอ้ขายมาเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ผตกกาจักรต้นอะไธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวนี้กำลังไปสร้างอยู่ ใ, น ใ, นใกล้ๆกับวัดประยูนไอคอนสยาม ใหญ่โตโมโหลา น, น่ะนมันกระจายไปไม่รู้กี่อย่างไปเมืองจีนผลิตมอเตอร์ไซค์ขายตอนต้ตตนๆ น, นะตอนจีนเริ่มพัฒนาไปทำมอเตอร์ไซค์ขายดิบขายดีเขาทำธุรกิจอย่างนี้เพราะสินค้าทั่วโลกเป็นของ c ีพี คนทั่วโลกเป็นของสิผปลูกเองก็ได้ให้คนอื่นปลูกก็ได้ทําเองก็ได้ให้คนอื่นทําก็ได้นั่นคือการบริหารอรังกาตุอรังสังวิธาตุสรุปการเป็นนักบริหารท่านต้องทําหน้าที่หประการแล้วแต่ว่าท่านอยู่ในตนําแหน่งไหน ถ้าอยู่ในร ะ, นระดับสูงทําอันนี้มากหน่อยระดับต้นทําอันนี้มากหน่อยการบริหารทั่วโลกเขาสรุปไว้ห้าธรรม P O S D C Management MBA ที่ไหนก็ทํห้าเรื่องนี้แหละรวมถึงการจัดการเชิงพุทธส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการวางแผน Planning เราเรียนบริหารแต่ไม่รู้เรื่องการวางแผนเนี่ยถือว่าเรียนไม่จบไม่รู้เรื่องงานของนักบริหารอย่างอธิการบดีเนี่ยอยู่ระดับสูงต้องวางแผนมาคุยกันวันนี้ท่านคุยเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยมันคืองาน planning งานวางแผนทนะ่านยุทธศาสตร์นี่ยังไม่ได้ทําจะทําจะไปรบจะไปโจมตี มันก็จะต้องวางแผนมันเป็นส่วนหนึ่งของมันสรทรจีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนพี่เพราะวางแผนแล้วใครทำอ่ะไม่ใช่ทำเราเองวางแผนเองทำเองมันจะต้องมีองค์กรร อ, องรับ o อ g a ไห z ซ n ่งคือทุกองค์การะยกต้องทำตามแผนนั้น ไม่ใช่วางแผนไปอย่างหนึ่งแต่คนไปทำอย่างหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยที่ทำยุทธหัตถีเพราะวางแผนอย่างหนึ่งแต่ผู้ปฏิบัติการไปทำอีกอย่างหนึ่งไม่ทำตามคําสั่งทำให้พระนเรศวรต้องลงไปช่วยและพระองค์ก็ลำบากถึงก็ต้องทำยุทธหัตถีชนช้างองเพราะมันไม่ไปไ ป, ไปตามแผน Organizing ไม่เชื่อทำเกินคำสั่พ์พระนเรศวรบอกว่าให้ทับหน้าเลยนะไปไปแยแยไปยั่วฝ่ายพมา่าแหละอย่าอย่าไปลบจริงแล้วถอยมาถอยมาทับหลวงจะลุงโจมตีทับหน้าพม่าที่ตามไล่ทับหน้าของไทยที่ถอยมา เพราะฉะนั้นพระนเรศวก็ซุ่มอยู่ไงในป่าละมะ็อแล้วให้ทับหน้ากระทับหน้าไทยกับทับหน้าพม่าเนี่ยลบกันแล้วให้ฝ่ายไทยแกล้งถอยมาจนถึงที่ซุ่มพระนเรศวนเรศวรก็จะลุมสกัดแต่หัวหน้าทับหน้าไทยเนี่ยแม่ทับหน้าไทยไปลบจริงเสียท่าพม่าแกล้งถอยพอพม่าแกล้งถอยเราเราย่ามใจไล่ตีเขาอะผิดแผน พระนเรศวรพอรู้ขังก็ูตายแล้วเรากําลังจะขย้ำเขาเขามาขย่ําเราทับหน้าเราแล้วทหารไทยเนี่ยโดยรวมมันน้อยกว่าประมากเป็นเท่าตัวถ้าทับหน้าหมดก็คือจบพระนเรศวรต้องพาทับหลวงนี่ไปช่วยทับหน้าไทยแล้วก็ไปตะลุมบอลกันที่หนองสระใหญฝุ่นมันฟุ้งตลกหมด เพราะฝุ่นจางไม่ทีจึงไม่แปลกใจที่ช้างทรงของพระนเรสวนกับพระอนุชาถาล่ำไปอยู่ในวงล้อมของช้างศึกของพมา่าซึ่งเขาก็รออยู่แล้วหนีก็โดนยิงตายนาเรสวนหนีก็โดนยิงตายมันมีปืนสมัยนะั้นปืนยิงข้ามไปน้ำสโต็เราก็ทราบกันเป็นปืนของ โปรตุเกสสู้สองกับยี่สิบสองช้างสองเชื่อกกับยี่สิบเชือกมันสู้กันไม่ได้พระเรนเรศวรจึงท้าชนช้างเป็นส่วนตัวหัวหน้ากับหัวหน้ารบ ก, กันซึ่งไม่อยู่ในแผนเพื่อเพื่อช่วยชีวิตไพรพลที่โดนลอ้อมพระเรนเรศวร เอาบวหน้าขเขามาโดนปืนเงินสมัยนี้ในฝ่ายพมา่าเนี่ยถ้าเขามียุทธศาสตร์ก่อนเนี่ยเขาอยู่ในยุทธศาสตร์เขาจะไม่ลงมารบเพราะเขาได้เปรียบถ้ายืนตามแผนของเขาเขาไม่ลงมามหากราชาแต่ความที่ไม่ชอบหน้าแกเป็นส่วนตัว ระหว่างองค์ดำกับมหาอุปราชาตอนตกตตีไก่อยู่มาณๆด้วยกันมันมีความเป็นส่วนตัวมันก็เลยทิ้งยุทธศาสตร์รวมมาสู้กันตัวต่อตั ว, ต ว, ตวเสี่ยงเสี่ยงสำหรับใคยสำหรับฝ่ายขมา่าซึ่งได้เปรียบอยู่แต่พระนเรศวรไม่มีอะไรจะเสีย เพราะยังไ ก, การตัดสินใจของบริษัทในสถานการณ์นั้นบันถูกแต่งของพม่าในเชิงยุทธศาสตร์ผิดแต่กว่าแต่เพราะ Organizing กควายองกรของไทยไม่ทำตาม planning มันจึงเกิดยุทธหัทีสายบังคับบัญชาการคำสั่งเนี่ยตั้งแต่ท็อปเขาเรียกท็อปดาตั้งแต่หัวจนผู้ปฏิบัติการเนี่ยมันจะต้องอยังมีคุณภาพ สายาบัตรทบัญชานั้นก็คือตัวเอสคนบุคลากรต่อให้จัดองคอ์กรดีอะไรดีแต่คนมันซื่อบือ้อมันไม่มองเห็นยุทธศาสตร์รวมมันเอาแต่เรื่องส่วนตัวเป็นวัยรชนเอกชนเกือบทำให้พันธุ์ในสวนเพีย้ยนล้ำจึงไม่แปลกหลังจากที่ทำยุทธหาสตสีเสร็จกลับมีชายชนะกลับมาที่เมือง พระนางเลสวนสั่งประหารชีวิตแม่ทัพในกองยี่สิบนายเพราะไอตัวเอนี่แหละทำผิดคำสั่งสั่งประหารยี่สิบนายตั้งแต่แม่ทัพในพลไล่เลยซึ่งถ้าประหารจริงนะหมดเลยพวกหัวกะทิใครก็ทัดทานไม่ได้พระองค์ดำเอาจริง ประหารพรุ่งนี้จะประหารเป็นวันพระเก็บไว้ก่อนเลยวันพระวันมะืนไปประหารประธานคณะสงฆ์คือพระพลนรักษ์วัดป่าแก้วพามาหาเทนะคมยี่สิบรูปเข้าวังโดยที่พระนเรสวนไม่ได้นิ้มหมดพระนเรสวนออกมา ตอนรับก็ถามว่าทำไมพระคุญเจ้ามาบอกมาถามข่าวการศึกว่าเป็นอย่างไรพระว่ายอยาน่นพระพุรัตอันนี้อยู่ในพงสาวดาษของชาติลับพระเนเรศวรก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยโลงโยมต้องไปลบกับพม่าเองเดชะบุญนะ โยมจะได้คุ้มครองพระพุทธศาสนาทำให้ชนะพระก็ถามว่าแล้วชนะทำไมต้องประหารชีวิตแม่ทัพในกองยี่สิบนายพระในสวนก็ตรัสว่าเพราะพวกนี้มันกลัวพระมากค่าศึกมากกว่ากลัวโยมไม่รบจริงจัน เพราะฉะนั้นในการลบถ้าเป็นอย่างนี้ต้องลงโทษจึงประหารชีวิตตรงนี้แหละที่พงศาวดานบันทึกว่าเกิดคำพูดของพระปณรักษ์พลิกสถานการณ์ประเทศไทยโดยพระปณรักษ์วัดปากแก้วได้ไถวายพระว่า อย่าไปโทษแม่ทัพในกองเลยเหตุ hey, ที่เป็นเช่นนี้พิเคราะห์ดูแล้วก็คล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์วันที่ยตรัสรุพระเจ้าปูยาคาแปดกรรมใต้ต้นสีมหาโพธิ์ประทับนั่งอธิษฐานจิต นั่งไม่ยอมลุกเทวดาอินพรมเทวดามาเฝ้าชมบารมีตอนนั้นน่ตอนตอนบ่ายเราจะตัดสรุหรือมาเฝ้าเห็นแต่พอตกบ่ายคล้อยหรือเย็นเย็นพระยามาณยกทับมาพระยาปรินิจจาวสาวดวตยกทับมาไอถ้าเทวดาพวกพระอินอยู่ด้วยก็ได้ช่วยรบ แต่บางเอินตอนนั้นตับสวรรค์หมดแล้วเหลือแต่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์โรคมิวประทับนั่นอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ะจนกับทัพของพญามารด้วยลำพังอย่างที่เราเห็นภาพฝาผนังโบสวั ด, ม ห, วดมหาวัดมหาจลาลองตอนลาชูติสก็วาดไว้ะจนมาต่างลำพัง พระสิทธาโพธิสัตสู้กับพญามารโดยลาพังและมีชัยชนะตอนนั้นไม่มีใครช่วยเลยเหลียวขวาก็แลหายเหลียวซ้ายก็มองไม่เห็นผู้ช่วยลบตามลำพังจนประสบชัยชนะจึงได้นามว่ามาราชิโดพระผู้ชนะมารเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสนรูด้วยพระองค์เองโดยไม่มีตัวช่วยรบกับมานเป็นมาราชิโนโรพระผู้บุกเดียวพิเคิลดูแล้วมหาบอพิษก็คล า, ายกันมีเหตุทําให้แม่ทัพในกองไปช่วยแม่ทัพเพราะพระองค์จะได้บุกเดียวชนะเหมือนกับพระเจ้าชนะมันพอยกเทียบกับพระเจ้านั้นพระองค์ดำยิ้มเลยขนาดนั้นเลยพระคุณเจ้าดีใจ พอรู้ว่าพระไทยดีขึ้นพระบรมรักจึงถวายพระกราดเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษฝ่ายแม่ทัพในกองเลยการมันจะให้เป็นความยิ่งใหญ่ของม่าบงจึงเป็นอย่างนั้นเหมือนพระเจ้าชนะมาได้วยโรงนี้เพราะฉะนั้นขอบินทำ บ, บารไว้ชีวิตแม่ทัพในกองทั้งหมดพระเนเรศวรพอขออย่างนี้ก็ตอบว่าไหน ได้พระคุณเจ้าแต่ต้องไปให้พวกไปทัพในกองทั้งหมดเนี่ยไปแก้มือรบกับพม่าที่ถวายกัมรมฤตตีมาให้ได้แล้วจะไว้ชีวิตพระพุทธ น, นรับบอกว่าเรื่องนั้นหาใช่กิจของสงฆ์ไม่ขอถวายพระปกรณารู้ว่าควรจะหยุดตรงไหนอีกเ่ยได้แค่นี้พระทำได้แค่นี้ วางแผนจัดองค์กรบุคลากร Directing อำนวยการสั่งการที่ว่าสายบังคับบัญชามันจะต้องสั่งกันจนไปถึงผู้ปฏิบัติการคำสั่งชัดเจนโดยเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าพูดอย่างไรให้คนอยากทำงานให้ไม่ใช่อะไรก็ดา่ดากระดา่าพูดอย่างไรให้คนชนะใจคนและตัว C Controlling สั่งไปแล้วต้องมีการกำกับกันเป็นระดับชั้นว่าทำหรือไม่แล้วทำแล้วเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ไหมทำแล้วได้ผลหรือไม่เขาเรียกว่าการควบคุมสายบัคั บ, บัญชาและคุมคุณภาพกระทรวงศึกษาเปิดให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเนี่ยจัดการเรียนการสอนเองใีสภาหมหาวิทยาลัยกากับ แต่ขอดูค n t r o l การควบคุมคุณภาพเพราะฉะนั้นการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยจึงเกิดขึ้นอย่างที่เรามีการประกันคุณภาพตรวจการประกันมหาจาุลาต้องผ่านขั้นนั้นกันนี้ทุกมหาวิทยาลัยบริษัทก็ต้องมี QAQC โรงเรียนก็ต้องมี พระศาสนาก็จะต้องมีในอนาคตพอไม่มีขึ้นมาเขาก็เรียกร้องเรื่องการปักติรูปกิจการพระศาสนาบริหารอย่างไรให้มันเกิดปัญหาถามไปที่สำนักพุทธบริหารอย่างไรให้มันมีเงินถอนเยอะแยะ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในในยุคไทยแลนด์ 4.0 เข้มข้นต่างจากยุคกันก่อนตรงนี้พระศาสนาถ้าไม่รู้สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงยังทำงานเหมือนเดิมไม่ควบคุมคุณภาพให้ดีจะโดนเข้ามาแทรกแซงมหาวิทยาลัยถ้าคุมคุณภาพการเรียนการสอนไม่ดี เขาก็จะยึดไปบริหารเหมือนามามหาวิทยาลัยบางแห่งมหาวิทยาลัยสงก็จะต้องตื่นตัวรู้เท่าทันสถานการณ์การบริหารกิจการของวัดแต่ก่อนเขามายุ่งเสมอเลย่นพระคุณเจ้าบริหารเงินทองอยังไงไม่มีการพูดถึงเงินทอนไม่มีเรือ่องแต่ในยุค น, นี้มันยุคตัว C เขาเน้นตัว P ผู้บริหารระดับสูงคณะรัฐมนตรีมหาดไทยมาคมเน้นตัว P แต่สายบังคับบัญชามาอยู่ข้างล่างทําหรือไม่ทำเนี่ยมันเป็นตัว C การกํา ก, กับควบคุมดูแลให้เป็นไปตามนโยบายเป็นไปตามยุทธศาสตร์และถ้าหากว่าตัวเขาเน้นเขาเน้นตัว C เพราะอะไรเพราะเขาปล่อยตัว O ตัว S ตัว D ให้เรา ตรงกลางๆเนี่ยท่านจะทําำยังไงก็ได้แต่ขอดูผลผลิตท่านจะรับใครมาเรียนเอาใครมาสอนมาอะไรต่างสภาวะกันไปแต่ผลผลิตคือมหาปณิชต์เนี่ยมันใช้ได้ไหมท่านจะเอาวัตถุดิบที่ไหนมาผลิตรถยนต์ไม่ว่าการเครื่องยนต์จากญี่ปุ่นที่ไหนไหแต่พอออกมาแล้วมันได้มาตราฐานปลอดภัยไหม ไม่ใช่วิ่งไปแล้วเบรกมันแตกอยู่เลยเรียกกลับเลยนะโทรศัพท์คุณจะผลิตอย่างไรไม่ว่ากันไปขายในตลาดแข่งกันแต่ถ้าแบตเตอรี่มันระเบิดขึ้นมาเรียกกลับทั่วโลกเลย a ั s u n งโดนมาแล้วก a เล็กซี่มันตัวซีโลกนี้ให้อิสระเสรีในการที่ท่าน โปรเซสกระบวนการเนี่ยท่านจะทําะไรก็ได้แต่เขาดูผลผลิตแล้วผลผลิตมันจะเป็นยังไงมันจะต้องมาดูการวางแผนของท่านตกลงเนี่ยท่านจะวางแผนเอาให้ผลิตบัณฑิตเป็นยังไงดูวิสัยทัศน์ของมหาวิไลดูปรัชญาดูอะไรต่างๆแล้วดูแล้วสุดท้ายโปรเซสของท่านเป็นอย่างไร I, P, O, I อในการประกรันคุณภาพ I ก็คือ Input P คือ Process O คือ Output ผลผลิตแล้วก็ดู Impact มหาจุลาก็อยู่ในกระบวนการการประกรันคุณภาพเขาเน้นตัว C วัดวา่าอารามต่อไปเนี่ยนะครับมันจะเน้นตัวซรัฐธรรมนูญปีห0ศที่ออกมาเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ ปรากโกงปรากโกงคือตัวซีเขาไม่ตั้งคำถามเรื่องยุทธศาสตร์เท่าไหร่เขาตั้งคำถามว่าแล้วท่านควบคุมดูแลให้เปลี่ยนไปตา่างยุทธศาสตร์หรือไม่งานคณะสงฆ์หกด้านเนี่ยที่ท่านตั้งเป็นหัวขอ้อไว้ปกครอง ศึกษาสาธารณศึกษาศึกษาสงเคราะห์เผยแผนทะุประการสาธารณสงเคราะห์งานสี่อย่างปกครองศึกษาเผยแผ น, นรูลประการเนี่ยมีในพรบ 2,505 มาแต่ต้นแต่ในปี 2,535 เขาเพิ่มอีกสองงานศึกษาสงเคราะห์กับสาธารณสงเคราะห์ท่านจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องเงินทอเนี่ยมันกระจายไปตรงไหนไม่ว่าจะทะลุประการ เือแผ่ศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องหมนตัว C การควบคุมกำกับดูแลงบประมาณเนี่ยมันกำลังเข้มข้ น, นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ฉะนั้นในการวางยุทธศาสตร์เราก็ต้องกำจัดจุดอ่อนของเรา ด้านศาสนศึกษาด้านเผยแพร่สารุปการตอนนี้อย่าให้ลามไปสารานสมเพาะเงินช่วยน้ำทว่วมน้ำมันไปไม่ไปไม่ถึงอะไรองี้ยย้ า, ยามันมีอีกการการปกครองอะไรต่างๆเนี่ยนะคุมอ่ะอันนั้นคือเชิงยุทธศาสตร์ว่าเรายุทธศาสตร์ของเราก็คือไปเน้น กำจัดจุดอ่อนอันนี้เขาเรียกแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะแล้วไปเพิ่มจุดแข็งให้กับตัวเราอันนั้นจะต้องทาการที่ว่ากำจัดจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็งเราเรียกว่าสวัสดนาฤิทธิ์ในการบริหารเราไม่ได้บริหารโดยไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีกลยุทธ์ยุทธศาสตร์คือภาพรวม ของการวางแผนทั้งหมดอย่างเช่นแผนระยะ5ปี20ปีเนี่ยเขาเรียกยุศทธศาสตร์แผนระยะยาวก็แล้วกันถ้าแผนระยะสั้นปรับทุกปีเราเรียกกลยุทธ์แผนกลยุทธ์การปรับแผนทุกปีเขาเรียกทาโดย SWOT analysis การวิเคราะห์ สประเด็นด้วยกันหนึ่งจุดแข็งอะไรที่มันเป็นจุดแข็งของการศาสนาทุกปัจจัยเราพัฒนาไปเรื่อยๆทําดีแล้วทําไปเรื่อยอะไรคือจุดอ่อนวิกเนสแปล ว, ว่าจุดอ่อนคือจุดน้อยเมื่อกี้พูดแล้วเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้นเรื่องเงิ น, เ ร, ง น, นเรื่องอะไรต่างๆเราก็ไปกําจัดจุดอ่อนอะไรคือโอกาส opportunities ที่จะทำให้การบริหารการจัด ก, การมันไปได้ฉลุยเหมือนภายเรือถ้าภายเรือทวนน้ำมันเหนื่อยแต่ภายเรือตามน้ำมันเป็นโอกาสทาให้เราเหนื่อยน้อยและประสบผลสำเร็วเร็วปูประสักคคือภายเรือทวนน้ำเราจะออกพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติอะไรการศึกษาพระปริยดธรรมกําลังค้างอยู่เป็นโอกาสเขาพยายามจะปฏิรูปการศึกษาลูกศนาเราก็เกาะกระแสจะออกพรบอันนี้ไปแล้วเราก็เกาะกระแสโดยรับรองประโยชน์เ้าเท่ากับปริญญาเอกเกาะกระแสไปโจนไปเข้าคณะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีร่างพระราชบัญญัติกานมาหาเทิดมาคมเข้าไปละ พอไปถึงที่ประชุมมหาเถระสมัครเขาคณ ะ, ะรัฐมนตรีกระรทรวงศึกษาธิการเป็นรัฐมนตรีทานไม่ยอมให้ประโยคนเก้าเป็นปริญญาเอกจึงต้องขอนร่างพรบนี่คือข้อที่สี่อุปสรรคแล้วกระทรวงศึกษาก็ทําหนังสือมาแล้วว่าไม่เอาไม่ให้มีประโยคนเก้าเป็นปริญญาเอกเป็นลายลักษณ์อักษรประชุมกัน พิจารณาหนังสือของสงสารเมื่อวานนีเองแล้วก็คนก็โทรมาบอกให้อธิการบดีไปช่วยคุยกับตัวสงสารหน่อยเรามีอุปสรรคประโยค์กล้าตอนนี้ก็แค่ปริญญาตรีเพราะฉะนั้นการทำงานอะไรก็ตามเราก็จะต้องดูว่าโอกาสมันมีไหมอะไรเป็นอุปสรรคเราจะพัฒนาจุดเด่นเราจะพัฒนาจุด จะแก้ไขจุดด้ยอยทำยังไงการวางแผนทั้งหมดเป็นยุทธศาสตร์โอกาสตอนนี้ของกิจการพระาศาสนาเนี่ยคืออะไรก็คือคำว่าไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยไทยแลนด์ 4.0 มันมาจากไหนอ่ะตอนนี้ไม่มีเวลาแนละ้วข้าไมไปหมดเลยนะเรื่องสวัสดิ์ไม่คุยละมาจากธนาคารโลก World Bank เนี่ยเป็นที่มาของไทยแล a ด์ 4.0 ดฉะนั้นการที่เราจะทำโซลาอนวิสิทอะไรคือจุดเด่นจุดด้อยอะไรคือโอกาสอะไรคือภาวะคุกคามมุตสังพอเราทำตรงนี้เราก็จะเห็นว่าวันนี้เน้นเรื่องโอกาสคือไ h a แ l a ด d 4.0 เราจะอาศัยกระแสตรงนี้ พัฒนากิจการค้าสงพัฒนากิจการพระศาสนาไปได้อย่างไรธนาคารโลกประกาศเมื่อปี2554ยกระดับประเทศไทยให้ไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเป็น upper middle, middle income countries ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงปี54 ธนาคารโลกแบ่งประเทศตามการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสี่กลุ่มกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่พัฒนาแล้วมีรายได้ระดับสูงเช่นสหรัฐอเมริกาสิงค โ, โปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นอันนี้เขาเรียกว่าสูงสุดอะในการพัฒนากลุ่มที่สองรายได้ปลายกลาง ร, ระดับสูงซึ่งประเทศไทยเพิ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้สี่ปี มีรัสเซียมีจีนมีมาเลเซียกลุ่มที่อยู่ตันไปกว่าเราก็กลุ่มประเทศมีรายได้ต่างระดับลา่างคือในอาเซียนทั้งหมดยกเว้นมาเลเซียไทยสิงคโปร์สิงคโปร์ไปอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งรายได้สูงไทยกับมาเลเซียอยู่ในกลุ่มที่สองอาเซียนที่เหลืออยู่ในกลุ่มที่สแล้วยังมีกลุ่มที่รายได้ต่ เช่นเลปานบางับงการปเทศเอีิโอเปียจากการจัดกลุ่มของธนาคารโลกเนี่ยรัฐบาลไทยกำหนดยุทธศาสตร์คือแผนระยะยาวทันทีว่า20ปีจากนี้ไปประเทศไทยต้องพัฒนาเศรษฐกิจให้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งให้ได้เป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ยี่สิบปีจากนี้ไปต่อมาก็ให้ลดเหลือสิบปีก็แล้วแต่ตอนนี้เอาว่ายี่สิบปีให้ได้ก็บุญแล้วนะเอาว่าอยู่ให้ทันหินก็แล้วกันพวกท่านประเทศไทยจะขึ้นไปอยู่ในระดับกลุ่มที่หนึ่งรักษาสุขภาพเอาไว้ทรอไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีแน่นอน ทีนี้พอกําหนดให้ไปอยู่ว่าจะประยกประเทศไทยไปอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งให้ได้เนี่ยวิธีหรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชาติเนี่ยเรียกรวมๆ ว, ว่าไท a แล a ด d 4.0 ตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันคือไท a แล a ด d 3.0 เราจะยกประเทศไทยให้เป็นกลุ่มที่หนึ่งให้ได้เนี่ย กระบวนการยุทธศาสตร์ทั้งหมดคือต้องทำประเทศไทยให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 ไทยแลนด์ 4.0 เป็นยังไงประเทศไทย 1.0 เราพัฒนาเกษตรเกษตรกรรมเป็นหลักรายได้จากข้าวชาวนาเป็นกระดูกสลักของชาติท่ร่วงมา50ปีที่แล้วต่อมาเรามีอุตสาหกรรมทีามีเกี่ยวข้องเป็นเกษตรอุตสาหกรรมทาสับปะรดกระป๋อง เป็นต้นทำรองเท้าทำการเม้นเสื้อผ้าส่งนอกเราเรียกว่าอุตสาหกรรมเบาหรือเกษตรอุตสาหกรรมทำรายได้ให้ประเทศไทยยุค 2.0 ปัจจุบันนี้ประเทศไทยอยู่ใน 3.0 มีรายได้มาจาก3กลุ่มหลัก 1. กเกษตร 2. อุตสาหกรรมหนัก ในอายุธยาน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยโรงงานรถยนต์ผลิต ร, รถยนต์อุตสาหกรรมหนักเนี่ยจมน้ำเนี่ยนี่คือตัวอย่างของอุตสาหกรรมหนักและการท่องเที่ยวกลุ่มที่สามการบริการการท่องเที่ยวเรื่องการการท่องเที่ยวในน้าเงินเข้าประเทศไทยแล้วการบริการอย่างเช่นคนที่กเกษียณแล้วชอบมาอยู่ในประเทศไทยหรือเพราะอะไรเพราะว่านอกจากมาท่องเที่ยวแล้วมารักษาสุขภาพ โรงพยาบาลในไทยนี่นำหน้านะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะต้องเป็นต้องอาศัยสามหลักเนี่ยเกษตรอย่าเป็นเกษตรที่ผลิตข้าวแล้วขายเยอะแต่ได้เงินน้อยมันต้องเป็นเกษตรที่ก้าวหน้าผลิตน้อยแต่ได้เงินมากเมื่อเดือนที่แล้วทางเวียดนามมาเยี่ยมนะ ไปเยี่ยมาที่กรบอกว่าทางเวียดนามเนี่ยผลิตข้าวแข่งกับประเทศไทยขายแข่งกันตอนนี้แต่คนเวียดนามชั้นสูงไม่กินข้าวเวียดนามกินข้าวไทยเออคนเวียด น, นามยวดกันนะอะไรอะไรก็เอาแต่ไทยแม้กระทั่งข้าวไทยก็ไปตีตลาดเวียดนาม ทั้งๆที่เวียดนามก็ผลิตข้าวได้เพราะคุณภาพข้าวไทยดีกว่าราคาขายไม่เท่ากันในโลกนี้นะข้าวเวียดนามราคาหนึ่งข้าวไทยราคาสูงกว่าโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิมันไม่ได้เกิดมาโดยธรรมชาตินะท่านมันโดยการผสมพันุผสมอะไรกันแบบงานวิจัยอะไร ไม่งั้นพวโลกก็ทำได้สินี่คือตัวอย่างของเกษตรในอนาคตต้องมีนวัตรกรรมทำเกษตรนั่นแหละแต่ให้มันมีนวัตรกรรมก็จเจริญกล้าหน้ามาถึงอุตสาหกรรมก็เหมือนกันทุกวันนี้เราทำงานหนักแต่ได้เงินน้อยโมโฟอร์เลสเป็นลูกจ้างญี่ปุน่นลูกจ้างฝรั่ง แล้วเสร็จแล้วโรงงานเนี่ยมันผลิตรถยี่ยห้อต่างประเทศหมดเราได้เงินเดือนได้ค่าจ้างสู้เป็นเจ้าของกิจการไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงส่งเสริมให้มีประชารัฐนะท่านให้สตาร์ทอัพมาเริ่มธุรกิจกันเองตอนนี้ในธุรกิจไ h ยแลนด์ 4.0 เนี่ย จบปริญญาไปอย่างนี้เนี่ยคุณอย่าไปเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องเขาเลยเริ่มธุรกิจของคุณเองเอออาจารย์ที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลากกระบังบอกว่าผมสอนมาตั้งนานได้เินเดือนสามหมื่นไอ้นิสิตปริญญาตรีอของผมเนี่ยมันได้เดือนละห้าหมื่นมันมาเรียนกับผมเนี่ยมันทําธุรกิจขายตรงท่านขายตรงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันออนไลน์กันทั้งนั้นแต่ขายตรงเนะเดือนละห้าหมื่นผม ตอมาได้สามหมื่นนี่คือสตาร์ทอัพรัฐบาลเขาจะมีเงินช่วยพวกที่เริ่มธุรกิจใหม่คําว่าสตาร์ทอัพที่หมายของว่าเริ่มแล้วมาได้เงินยอเนี่ยจบไปแล้วนี่ใครยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดนี่ยังมาเป็นผู้ช่วยเลยนะเป็นเจ้าวาดมันมันดีกว่าเป็นเจ้าเป็นผู้ช่วยปเยอะเชื่อผมผมเป็นเจ้าวาดสตาร์ทอัพ อย่างน้อยเจ้าวาดก่อนจบการจัด ก, การชมพุทนหนึ่งนึงวางเป้าหมายไว้นัานแล้วเอาแบบหลวงพ่อปัญญาณัทธะถ้าอยากจะเริ่มงานใหม่อย่าไปเป็นเจ้าวาดวัดที่เขามีพระเยอะๆอยู่แล้วท่านไปทำอะไรไม่ได้หรอกวัฒนธรรมองค์กรมันแข็ง วัดเก่าพระเยอะทำอะไรไม่ได้อย่าไปเป็นสองวัดที่จะต้องเป็นคืออะไรคือสร้างใหม่เลยนะยังหาเจ้าวาดไม่ได้เราวางระบบหมดเลยนวัตกรรมของเราวัดชนประธานมาจากตรงนี้ทุกวันนี้เนี่ยไปดูไหมหลวงพ่อปัญญาเป็นลุกเจ้าวาดรูปแรกเลยสร้างระบบทั้งหมดนี่คือสตาร์ทอัพ เริ่มต้นใหม่เอี่ยมนวัตกรรมหรือว่าชนประทานนวัตกรรมยังไง้องไปดูสิแค่ส่วนศพก็นวัตกรรมแหะมีเทศมีอะไ ร, รต่างๆไม่เลี้ยงอาหารอะไรนี่คือนวัตกรรมทำอะไรใหม่ๆอิโนโวเวชั่ถ้ามองในแง่มหาจุลาเนี่ยผมมาเป็นอธิการบดีในยุคสตาร์ทอัพ่ อยู่วัดมหาธาตุมาร้อยปีเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกจอดรถยังไม่มีที่จะจอดเลยท่นานเมื่อเปลี่ยนทุ่งหวังน้อยเนี่ยมาเป็นปัจจุบันเนี่ยผมเป็นอธิการบดียี่สิบปีเละสร้างมาใหม่หมดเลยสตาร์ทอัพเลยท่านเป็นจังหวัดทะานเป็นให้หมด เป็นเจ้าวาดคือทำงานน้อยแต่ได้ผลงานมากใครทำเป็นผลงานเจ้าวาดหมดเลยงานเบานะั้นแต่ยอมให้โดดด่าหน่อยนะักใหมนี่พูดกันภาย ใ, น, ใ น, นนะท่านในฐานะเจ้าคณะภาคเขาจึงไอเลฟอร์โมคือทำงานน้อยแต่ได้เงินมาก คนรวยที่สุดในในโลกทุกวันนี้ทำอะไร Microsoft เจ้าของ Microsoft คือ Bill Gates ไม่ได้ผลิตเครื่องบินไม่ได้ผลิตรถยนต์ไม่ได้ผดลิตเรือเรือดำน้ำทำแผ่นซีดีขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวยไม่รู้เรื่องเลยใช้สมองนั่น less ทำงานน้อยฟอร์โมเด้งนกนเยอะ ท่านไปคิดผมเป็นเจ้าวาเนะี่ยผมจะในฐานะเจ้าวาวัดประยูรวงสาวาเนะี่ยเป็นพระรามหลวงชั้นโทคือวัดขนาดกลางทนะ่านจะทำยังไงให้มันอยู่ระดับต้นๆหมายถึงในการพัฒนาด้านพัฒนาวัดเนี่ยนะผม่้มเจดีย์ครับเจดีย์วัดประยูน่ อยู่มาร8 0แปิปีไม่เคยซ่อมใหญ่ผมซ่อมมีนวัตรกรรมในการซ่อมซ่อมเสร็จได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของยูเนสโกอวอร์ดออฟเอ็กซ์แลนซประเทศไทยได้รางวัลมาก่อนหน้าผมเนี่ย9้าครั้งไม่เคยได้อันดับหนึ่งเลยได้อันดับสมกับรางวัลชมเชย แต่เจดีวัดประยูนเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและจนบัดนี้ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดก็ยังไม่มีที่ไหนได้ในประเทศไทยขึ้นระดับโลกไปเลยทนะ่านอินโ v a t เ o n นคืออะไรท่านไปดูกับเองวัดประยูนทำยังไงวัดอรุณจะซ่อมไปดูวัปดประยูนวัดปิวซ่อมเจดีได้าง ว, วันยูเนสโกวัดอรุณไปดู ดูแล้วตอนนี้แค่จะเอาในประเทศไทยยังจะไม่ได้เลยเขาเถียงกันว่าซ่อมยังไงันเขาเลยน่าเสียดายนะท่านเห็นไหมวัดอรุณได้โอกาสดีกว่าวัดประยุนเยอะแยะเลยเขาระดับต้นเลยนะอยู่ที่แมนจเมนต์อยู่ที่ยุทธศาสตร์ทำงานน้อยแต่ได้รางวัลระดับโลก เลสโอโมไหมล่ะสนใจมาถามเดี๋ยวจะขายไอเดียให้หลังใหม่เ <c oughs> นฐานเจ้าวาดนะครับฉะนั้นประเทศไทยจึงพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเนี่ยในสามกลุ่มเท่านั้นแหละท่านหนึ่งกเกษตรสองการบริการการท่องเที่ยวแล้วก็สามอุตสาหกรรมหนั ก, กเกษตรเนี่ยเขาเล่นกลุ่มอาหารใช่ไหม เทคโนโลยีชวีวภาพให้มีนวัตกรรมแล้วเรื่องบริการท่านสาธารณสุขสุขภาพเทคโนโลยีการแพทย์นี่เขาเน้นตรงนี้แล้วเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉรยิยะหุ่นยนต์เครื่องกลเทคโนโลยีหมายถึงเทคโนโลยีในเรื่องอุตสาหกรรมหนะักให้มาเป็นอุตสาหกรรมเบาไม่ใช่เดอุตสาหกรรมนั่นแหละแต่ให้ใช้สมองเป็นนวัตกรรม กลุ่มดิจิทอลเทคโนโลยีกลุ่มที่สเนี่ยเชื่อมต่อบางคับอะไรอันนี้ก็คือเหมือนกับบิวเกตนั่นแหละเน้นเรื่องสมองมีนวัตรกรรมและกลุ่มที่5้าการท่องเที่ยวบริการการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโหเดี๋ยวนี้เขาจะกระจายเป็นท่องเที่ยวทั้งโฮมสเตย์ทั้งอะไรอย่างเยเอะแยะหมเลยเขาไม่ใช่เหมาวลรวมกันล้ แม้กระทั่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็มีมาแข่งกีฬาในประเทศไทยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมามหาจรฬานี่รับในเรื่องอะไรใช่ท่องเที่ยวเชิงวัฒ น, ธ, นธรรมจัดวิสาขาบูชาโลกใช่เราก็เข้าไปในโอกาสอย่างนี้มหาจุราปีหน้าเราก็จัดวิสาขาบูชาโลกอีกปีที่สิบสี่เราทำมาก่อนใครเลย วิสาขาบูชาโลกนี่เป็นนวัตกรรมนะครับอินโนเวชันไม่เคยมีในโลกมหาจุฬาเป็นพูดผู้จัดแห่งแรกในโลกโดยอาศัยมติสหรประชาชาติให้ให้พุทธศาสนาให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญสากลของโลกแต่เขาจัด ก, กันอยู่ที่สหรประชาชาติจัดวิสาขาบูชาโลกสหรประชาชาติในเอเชียเนี่ยคนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีใครจัด ผมไปที่ยูเอแล้วผมก็เลยมาเสนอไอเดียต่อรัฐบาลว่าทําไมเราไม่จัดที่ประเทศไทยเรามีทรัพยาชาติอยู่ที่ราจะดำเนินให้คนทั่วโลกมาประเทศไทยรัฐบาลตอนนั้นรับไอเดียนี้ประเทศไทยก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนาในโลกปลัจจุบันคือวันวิสาขบูชาจัดงานอื่นก็ไปสัมคัญธ์เท่ากับ ง, งานงานพุทธเจ้านะครับในรอบปีและ เขามากันแล้วเขาก็มาโหวให้ประเทศไทยในปี248เป็นศูนย์กลางพุกศานาของโลกนั ว, วัตรกรรมตร์นั้นแหละท่านนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งในการใช้โอกาส opportunity เลยนะครับให้ประเทศไทยมาเป็นผู้นำในทางพุกศานาของโลกแล้วเราจะต้องมีเอ็กซ์แลนซในหลายๆเรื่องเพื่อจะรักษาบทบาทในการเป็นผู้นำอย่าลืมนะครับตอนนี้ประเทศอื่นเนี่ย หลังจากที่มาดูงานในประเทศไทยแล้วเวียดนามกลับไปสร้างมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในเวียดนามจีนสร้างมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในจีนลังการสร้างพุทธมณฑลในลังกาหลังจากที่เราจัดกิจกรรมมาสิบสี่ปีเนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงเยอะเลยในเรื่องนทางพุทธศาสนาตื่นตัวกันมากโดยอิทธิพลของงานวิสาขาบูชาโลกแต่ประเทศไทยเราเนี่ย ไม่ได้พัฒนาสมกับที่เขาให้เป็นศูนย์กลางปรินาโลกเราไม่ได้ก้าไปเป็นผู้นำฉะนั้นในปี2560เนี่ยในใ น, ในการปฏิรูปกิจการพัิศนาที่เป็นยุทธศาสตร์เลยนะครับผ่านมหาทเทนนมาคมไปแล้วแล้วมหาจุฬานี่เป็นหลักในการวางแผนเนี่ยในการจัดประชุมทั่วประเทศเนี่ยเรากำหนดการปฏิรูปหกด้านก็รจริง ด้านการปกครองศึกษาจนกระทั่งาสาธารณสุขเคราะห์เนี่ยแต่จะมีอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาก็คือพัฒนาพุทธมนตรให้สมกับที่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกตอนเนี้มันยังมันเป็นแผนในพานมศและแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ที่มหาจุฬาช่วยจัดประชุมโต้โลกมีท่านรองฝ่ายบริหารท่านเจ้าคุณพระราชวนมทีเนี่ยได้รับมอบหมายจากทานส ม, ม, มเพระคมเนี่ยนะครับเป็นระดมความคิด ทั่ประเทศเนี่ยตอนนี้เป็นแผนปฏิแผนกลยุทธ์แล้วละ่ะจากยุทธศาสตร์เราเนี่ยมาเป็นกลยุทธ์เข้ากำลังจะเข้ามอสแอแผนกลยุทธ์เนี่ยนะหรื อ, เ, อเข้ามอสอไปแล้วแต่ยังไม่เข้าคณะรัฐมนตรีเพราะว่ามาเปลี่ยนรองนายกที่คุมไอานางพุษนาจากท่านวิศนุมาเป็นคนเอนรรกคณะศักดิ์ปฏิมาประการตอนนี้ย้ายไปเป็นท่านพลเดกชัดไทย มันก็เลยยังไม่ได้เข้าคอรมอที่ผมว่ามา น, นี้คือแผนยุทธศาสตร์ชาติถ้าเข้าคอรมอลเมื่ไรคือแผนยุทธศาสตร์ชาติในการบริหารในการพัฒนากิจการพูษณนาในรอบ10ปี20ปีข้างหน้าซึ่งจออยู่และมหาจุฬาเป็นส่วนสำคัญในการปรับดันอยู่ในกลุ่มที่ห้าเราดู เมื่อกี้ผมพูดถึงซอสวิเคราะห์เรื่องโอกาสนะครับดูโอกาสอีกอันหนึ่งประกาศมาหนันงสือพิมพ์ไทยลงเมื่อวานเมื่อวันศุกเพราะฉะนั้นถ้ายังต้องติดตามนะถ้าท่านเป็นผู้วางแผนเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมทํางานในระดับวางแผนเพราะยติธรรมเทรนด์คือแนวโน้มของโลกของประเทศตัวเลขใดๆก็ตามมันมีส่วนสําคัญในการกําหน ด, ดแผนระยะยาวยุทธศาสตร์ทั้งของพระศาสนาของมหาจุชาและของวัดด้วย ผมยกตัวอย่างเมื่อวานนี้เองครับธนาคารโลกจัดประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า progressivity เพราะกำจัดความยากจนได้ดีและสร้างชนชั้นกลางได้มากแค่ประโยคเบียวนี่นะครับมันก็คือสิ่งที่เพิ่มให้กับ t h a i l a ด์ 4.0 รัฐบาลจะต้องปรับ Thailand 4.0 เพราะว่าแค่ธ น, นาคารโลกประกาศในปี54ก็มีการปรับเป็นไทยแลนด์ 4.0 และธนาคารโลกประกาศเมื่อวานม่ที่จริงประกาศตั้งแต่วันที่7จต่ข่าวออกในประเทศไทยเมื่อวานธันวาคมนี่นะครคือให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามต่อไปนี้อีก20ปีเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเรื่องที่ธนาคารโลกเสนอมาไปอยู่ในไทยแลนด์ 4.0 อันนี้ล่าสุดครับ เพราะท่านอาจจะยังไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจในซ้ำว่ามันคืออะไรคืออย่างนี้ครับประเทศไทยประสบความสําเร็จในการยกคนจนส่วนใหญ่ให้ข้ามพ้นทุ์ทีปป้ไรคือเส้นความยากจนในในประเทศทั่วโลกในประเทศยากจนเนี่ยประเทศยากจนคือคนส่วนใหญ่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนทุกข์ที่ไรอย่างเอธิโอเปียเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่อยู่ ภายใต้เส้นความยากจนท่นี้ประเทศไทยเนี่ยยกคนทั้งกระบิ่เนี่ยนะให้พ้นเส้นพัฟตี้ไลน์เส้นแบ่งความยากจนเนี่ยเพราะขึ้นพ้นความยากจนมันเป็นชนชั้นกลางครับประเทศไทยมาเลเซียประสบความสำเร็จตรงนี้มากเขายกตัวอย่างในเอเชียตะวันออกเนี่ยสามประเทศไทยมาเลเซียและก็มองโกเลียมองโกเลียอยู่ในประเทศที่เคยยากจนแล้วมัน ยกตัวเองขึ้นมาเส้นแบ่งความยากจนเป็นยังไงครับหนึ่งยากจนที่สุดในประเทศในโลกนี้เนี่ยคือประเทศที่ใช้เงินหรือมีรายได้ใช้เงินวันละหกสิบบาทมีเงินเดือนทั้งเดือนพันแปดร้อยบาทอันนี้ยากจนที่สุดครับส่วนใครที่มี ใช้เงินรายได้วันละร้อยบาทเนี่ยเดือนหนึ่งมีรายได้มีเงินเดือนแค่สามพันบาทเนี่ยถือว่ายากจนปานกลางไอ้ยากจนที่สุดหกสิบบาทไม่เกี่ยวกับพวกที่ของเงินแน่มาโรงเรียนนะอันนี้หมายถึงรายได้ของส่วนตัวของคนเนี่ยปานกลางได้มีรายได้วันละร้อยบาทเดือนหนึ่งก็สามพันบาทอันนี้ยากจนปานกลาง และมันก็ปานกลางนี่หมายความว่ายากจนที่สุดนี่ก็คือหกสิบบาทจนถึงเก้าสิบ้าบาทและปานกลางนี่ก็มีรายได้ร้อยบาทจนถึงสองร้อยเก้าสิบ้าบาทอันนี้ยากจนปานกลางต่อเมื่อท่านได้สามร้อยบาทต่อวันท่านไปชนชั้นกลาง1มื0นห้าพันบาทต่อเดือนเป็นชนชั้นกลาง ในโลกนี้เนยะไม่ใช่ประเทศใดอย่างเดียวฉะนั้นที่รัฐบาลไทยได้ประกาศเมื่อสองหลายปีมาแล้วว่าค่าแรงขั้นต่ำต้องสามร้อยบาทนี่แหละมันคือเหตุผลสำคัญที่ยกระดับคนทั้งประเทศเนี่นะขึ้นไปสู่ชนชนั้นกลางนะั่นเขาวางแผนล่วงหน้าเขาไม่ใช่มาประกาศตีนี้นะเขาดูมาเป็นสิปีนะ เพราะฉะนั้นรัฐบาลก่อนๆ น, นี้ไม่ใช่รัฐบาลตอนนี้ที่ประกาศให้ค่าแรงขั้นต่ำซึ่งเราด่ากันเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยต้อง300เนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยมันทําให้ประเทศไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่มีรายได้300บาทต่อวันค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยกลายเป็นชนชั้นกลางนับพระด้วยหรือเปล่าครับเนี่เออ องไหนไปเทศไปส่วนได้เลาวันละสามร้อยเฉลียแล้วเนี่นะพระชั้นกลางน <c oughs> อบนั้นอยู่เป็นพระยากจนท่านชั้นทีละยี่สิบเดือนหนึ่งมาได้เท่าไหร่ท่าน <c oughs> นานๆจะเห็นร้อยบาทเลย <c oughs> ถ้าลดมาเรียนมหัศจรรย์ก็หมดแล้วนี่เป็นยากจนปางกลากไปบอกโยมได้เลย <c oughs> โยมนี่กลายเป็นชนชั้นกลางแล้วนะสามร้อยบาท ปริญญาตรีหมื่นห้าพันต่อเดือนเนี่ยถือว่ายกระดับชนชั้นกลางาทีนี้จากตัวเลขนี้สรุปว่าอย่างไรครับประเทศไทยเนี่ยเมื่อเอาตัวเลขแรกที่ว่าเราเป็นรายได้แปลงอันดับสูงแล้วคนที่มีรายได้ประมาณสามร้อยบาทต่อวัน <c oughs> เขาบอกว่ามันมีความเหลื่อมล้ำระหว่างพวกที่ ร่ำรวยนะครับคนที่ร่ารวยนี่จะมีต่อเดือนเนี่ยนะสองมืนหกพันบาทต่อเดือนขึ้นไปโดยเฉลี่ยนะสองหมืนหกนะอยู่ในไม่ใช่คนชั้นกลางไปแล้วนะออมีรถเก่งแล้วนะนขึ้นไปนู่นสองหมืนหกปรากฏ ว, ว่าไอ้พวกที่สองมืนหกขึ้นไปเนี่ยรายได้มันเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ไอ้พวกชนชั้นกลางเนี่นะ รายได้ลดลงมาดยในรอบห้าปีคือเงินมันไม่เพิ่มอ่ะค่าใช้จ่ายอะไรต่างมันจึงมีความเหลื่อมล้ำํำระหว่างชนชั้นกลางชนยากจนกับคนร่ํารวยในประเทศไทยกลายเป็นว่าคนร่ารวยก็รวยเอารวยเอาเศรษฐกิจที่เติบโตมันเป็นของคนร่ารวยสองหมื่นหกขึ้นไปแต่ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลตรงนั้น ฉะนั้นต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้มันจะมีการพูดถึงรัสวัสดิการมากขึ้นเพื่อดึงเอาเงินเงินของชนชั้นสูงร่ำรวยเนี่ยมาช่วยชนชั้นกลางและยากจนคืออะไรครับรัสวัสดิการก็คืออย่างที่เราทำมาเนี่ยเช่นสามสิบบาทรักษาทุกโรค ส0ิ บ, บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเอามาช่วยคนไม่มีไรายได้หรือชนชั้นกลางแต่เรียกว่าเป็นสวัสดิการที่รัฐก็ต้องจัดให้เก็บจากภาษีเอาเงินภาษีเนี่ยมาช่วยตรงนี้ให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของคนในชนบทเรียนฟรีจนถึงมสามและจะเรียนสมกว่านั้นมีกอยอสอมีทุนผู้เยือบิ เอาเงินมาจากไหน เ, เงินภาษีเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงสารณสุขทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงตรง น, นั้นต่อไปนี้คนที่ลงทะเบียนเสียเอ็ดล้านคนว่ายากจนเนี่ยจะต้องมีเงินสัตวสิดี้เอารายได้ที่มันเป็นของชนชั้นสูงเก็บภาษีเนี่ยมาช่วยคนชั้นล่างเราเรียกว่ารัสวัสดิกาลแต่ขอโทษ ภาษีในประเทศไทยเนี่ยมันตามไม่ทันกับสวัสดิกาคนรวยเสียภาษีไม่ได้มากอย่างที่เขาควรจะจ่ายรายได้เยอะจริงแต่ว่ามาถึงภาษีเนี่ยมันมีซิกแซกนีะรยอและไม่ได้เก็บภาษีมหาโหดอย่างอเมริกาอย่างยุโรปซึ่งสวัสดิการเขาดีคนที่ทำงานได้เป็นเยอะๆเป็นแสนเหรียญเนี่ยนะเสียภาษีตั้งห้าสิหกสิบเปอร์เซ็ตนะ มีบรนดาบำนาญแล้วจะเบิกเอามาใช้เสียภา ษ, ษีอีกในอเมริกาแต่ประเทศไทยยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราเอามาช่วยสามสิบาทเงินมันก็ล่อยหลอมันก็ไม่พอเพราะระบบภาษีมันยังไม่ได้เอือ้อและไปกระทบระบบภาษีนี่เมือ่อไหร่ก็รัฐบาลก็อยู่รำบากเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลที่เราทราบกันดีคนชั้นสูงนั่นแหละถามว่าพระสงฆ์ ในเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจจะช่วยอะไรบ้างตอบเลยนะครับในยุคพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 นี่ไม่มีทางอื่นเลยครับนอกจากใช้บูติสิกคอนดมิสเราจะต้องเอาระบบเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเข้าไปช่วยซึ่งคณะสังคมศาสตร์นี่แหละทำรื่้อยู เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธจะต้องมีบทบาทในเชิงแอพพลายจริงๆเลยเข้ากับ Thailand 4.0 เพราะ Thailand 4.0 มันคือเศรษฐศาสตร์แต่มันไม่มีพุทธเข้าไปเกี่ยวข้องมันไม่มีบ d d h i s t Economics ฉะนั้นที่ท่านพูดกันทั้งหมดเนี่ย a n d 4.0 เนี่ยเราจะไม่มีส่วนร่วมเลยถ้าเราไม่เสนอบ d d h i s t Economics ในชีวิตจริงเข้าไปเกี่ยวข้อง คืออะไรครับจริงๆต้องใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงพูดเรื่องนี้เราวที่พูดปูพื้นมาเนี่ยเพื่อมาสู่เรื่องนี้แต่หมดเวลาแล้วนะฉะนั้นจะสรุปให้เป็นคิดกันเองไปคําตอบจริงๆเนี่ยเตรียมไว้หมดเลยตั้งแต่เรื่องธรรมชาติของมนุษย์จริยธรรมในเศรษฐศาสตร์ศเศรษฐศาสตร์วัชิมาร์ซับภายนอกทรับภายในเนี่ยอ๋อให้ดูนะเยอะแยะเยอะแยะมากแต่ละข้อแต่ไม่มีเวลาแล้วสรุปให้ฟัง แต่ละประเด็นขออย่างนี้ครับวิถีชีวิตของคนไทยที่จะต้องเผชิญกับ 4.0 เนี่ยขออยากให้คนไทยเป็นสัตว์เศรษกิจเป็นมอชชีนเป็นเครื่องจักรอยู่ในโรงงานอันนี้ผู้สรุปนะครับผมไม่อธิบายลนะ อย่าให้เป็นมัชินอยู่ในโรงงานอย่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพราะสัตว์เศรษฐกิจมันจะมีมันจะเหลือความเป็นมนุษย์น้อยลงต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เศรษฐกิจที่ไปกระตุ้นความโลภเนี่ยมันจะทําให้คนเป็นสัตว์เศรษฐกิจทะเลาะการมุ่นวายเนี่ยประเทศไทยที่มันแตกแยกกันมาเนี่ยเพราะมันพัฒนาในเชิงเศรษฐศาสตร์ทั่วไปยิ่งโลภยิ่งก่อโกยิ่งทะเลาะ นาทีตันหาสมานาทีตันหามันไม่มีความวันเต็มถ้าอย่างนั้นเราจะต้องมีจากรยธธรรมในเศรษฐศาสตร์หมายความว่าในเศรษฐศาสตร์มันมีเน้นสองเรื่องครับ production กับ consumption ผลิตกับบริโภคขอให้มีวัฒนธรรมในการผลิตที่เราพูดกันเยอะคืออะไรครับ การผลิตที่ทำลายสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องพยางลดลงพัฒนาเศรษฐกิจไปในประเทศไทยแต่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าตัดไม้ทำลายป่าลดลงเลิกพัฒนาเศรษฐกิจไปทำลายวัฒนธรรมอดีงามรวมถึงเรื่องเยาวชนของเราการท่องเที่ยว โสเพณีอะไรก็ตามเนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไปยุ่งกับยาบ้ายาเสพติด ต, ต้องไม่มีใช้แรงงานขาาต้องไม่มีเพราะมันขัดกำลักพุทธศาสนาพระเราต้องพูดพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ให้เป็นเศรษฐสารมัชชิมาพัฒนาทั้งกายทั้งจิตทั้งการอยู่ดีกินดีสิ่งแวดล้อมทั้งคุณธรรมจริยธรรม ในขณะที่คุณต่อสู้แข่งขันเพื่อพัฒนาการอยู่ดีกินดีศาสนาต้องลดความเครียดของมนุษย์กรรมาฐานต้องเข้าไปเกี่ยวข้องศีลธรรมจะต้องพักท้องเทศมากขึ้นแต่ไม่ใช่ประเทศไปกระตุ้นความโลภต้องให้รู้จักพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9เนี่ยเหมาะที่สุดมันเป็นเร ท, ที่ทาให เศ ร, รษฐกิจ 4.0 ไม่โหยยิบไม่ร้อนแรงและไม่กลายเป็นโลกต้มยำกุ้งอีกต้มยำกุ้งในปี 4.0 เนี่ยเศ ร, รษฐกิจทั้งทลายเพราะอะไรไม่รู้จักพอเศ ร, รษฐกิจมัชชิมาจะต้องมีาศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องและอย่าให้คนโลภแต่ทรัพย์ภายนอกให้มันมีทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ให้มากๆพุทธศาสนาจะสอนตรงนี้เพราะฉะนั้นการเผยแผ่าศาสนาก็ดีการก่อสร้างการพัฒนาต้องเป็นไปทำวัดให้ พอเพียงท่านวัดจะต้องเป็นอารามไม่ใช่เอาห้างสรรพสินค้าไปพุ่งขึ้นอยู่ในวัดวัดในกรุงเทพจะต้องเป็นอารามเป็นสวนตึกสูงสูงมันรอบวัดไม่ว่าการท่านมันเป็นจำเป็นผมไปห้องโถงเพื่อกลับมาเมื่อวานเนี่ยมวนซื้อนเนี่ยในเกาะห้องโถงนั้นมีแ ต, ต่ตึกเป็นปากคอนกรีตเหลือแต่ที่เขียวอยู่ในวัดแค่นั้นแหละ และวัดอย่าไปสร้างอะไรที่มันใหญ่โตแข่งเป็นตึกคอนกรีตปลูกต้นไม้ในห้องโถงเขาทําอย่างนั้นนั่นแล้วคนก็มาเที่ยววัดกันเพราะต้องการความสงบใจไปดูสิวัดที่มีชื่อเสียงอยู่รักษาป่าไว้ได้อยู่ในห้องโคงในกรุงเทพต้องเป็นอย่างนั้นในเมืองใหญ่ต้องเป็นอย่างนั้นและในชนบทอย่าไปเหิอตามโจรไปทําลายสร้างตึกหมดไม่เหลือที่สําหรับเป็นปอดของจุมชน ไปในภาคอีสานชื่นใจที่วัดป่าทั้งหลายเนี่ยป่านวัดหนองประคงถ้าไปรูทั้งรักษาป่าไว้เท่านั้นนะนอกนั้ น, น, นหมดแล้วของชาวบ้านไม่เหลือป่าเลยนี่คือบุญที่สิคโอนมิกแล้วเรามากำหนดให้ชัดเจนว่าในวัดจะช่วยตรงไหนทำอะไรการกระจายรายได้ไปพัฒนาชน บ, บททำเสร็จครับกรถินว่าป่าเนี่ยถ้าเป็นไปเพื่อการพัฒนาที่โต้ต้อง เป็นอย่างที่อยู่ในกรอบนี้ไม่ใช่ไปสร้างตึกอยู่ให้วัดอยู่กันอย่างตึกใหญ่โตแต่ไปพัฒนาสิ่งที่ดีในวัดในชนบทเนี่ยนะครับไม่เป็นศูนย์ตลางเป็นวัดปา่าเป็นอะไรทํำไปเถอะครับมันเป็นการลดความเหลื่อมล้ําระหว่างพวกที่ร่ํารวยกับที่ปานกลางผมในส่วนตัวนี่ผมพาทุกปีนี่ยผมไปสร้างอยู่บนดอยเลยนะสร้างอาคารพระพรหมบดีอยู่ที่ห้วยบุง้ง หมดไปหกล้านเนี่ยแต่มาเป็นศูนย์กลางพระนี้ปฏิบัติศาสนกิจบนดอยทุกปีเขาก็จะมารวมอยู่ที่นั่นไปช่วยชาวเขาให้เรียนฟรีที่มหาจุฬาหาทุนมาให้นะครับปีละร้อยกว่าคนเนี่ยผมหามาให้ไม่ได้เอาเงินมหาจุฬาเลยในฐหาหนะที่เราเป็นพระเราก็ทําที่มหาจุฬาผมให้ทุนการศึกษาพระต่างประเทศเนี่ยนะครับทุนพระพรมบัณฑิตเนี่ยรับมาจากทั่วโลกนะทั่วประเทศเนี่ย ปีนี้มอบทุนไปไม่ต่ำกว่าสามสี่ล้านบาทสามล้านบาทประเทศที่เขาไม่มีสตังค์มาเรียนมหาวิยาลัยฟรีเราก็อยู่ไม่ได้ผมก็ต้องหาทุนให้ผมอยากจะให้พวกท่านคิดแบบเดียวกันที่เป็นเจ้าวาดเป็นพรัฐาธิการเราจะช่วยชุมชนช่วยคนอื่นได้ไงเป็นโอกาสช่วยครับไม่ใช่เกาะตัวเมีโอกาสที่จะช่วยพรรเราจะต้องทําในยุคสี่จุดศูนย์มิฉะนั้นเขาจะถามว่ารวยรถฟ้ามีไว้ทําอะไร เล่นหุ้นเหรอแล้วเขาก็บุกยึดวัดอะท่านมันมีประโยชน์อะไรพัฒนาแบบนั้นอย่าไปโทษแต่เขาอย่างเดียวมองเราด้วยครับไม่ฉันเพลิกันหรือไหนครับพอแนละ้วเหมือนยังไม่จบครับเอาแค่นี้ครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านขออนุโมทนาและขอคุณพระศรีรัตนใจอวยพรทุกรูปทุกตั้งทุกคน ให้มีความเจริญวอกางามไพรูลยิ่งขึ้นไปประสบสำเร็จในการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ทุกรู่ทุกท่านทุกคนเท่าัน